2วันก่อนได้อ่านข้อเขียนซึ่งเป็นคำไว้อาลัยของพ่อคนหนึ่งนะซึ่งเพิ่งสูญเสียลูกลูกชายนี่เป็นนักดนตรีนะแล้วก็ค่าตัวตายขณะที่อายุ31ปีพ่อก็เขียนบันทึกในหนังสืออนุสรณ์งานศพนะซึ่งได้เผาเมื่อ 3-4 วันก่อน หลายคนที่ติดตามข่าวก็คงจะทราบดีว่าผู้ที่เขตนบันทึกนะั้นหรือพ่อที่สูญเสียลูกก็คือคุณวีระมุศิกพงศ์นะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวีรบการอาการสูญเสียลูกชายนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่หลวงร้ายแรงทีเดียวนะโดยเพระ่ะต้องสูญเสียลูกในลักษณะ น, นั้น ในคาว่าอะไรก็มีข้อความหนึ่งเขียนว่าทําแม้ผมจะเคยปฏิบัติกรรมฐานมาบ้างนะแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้กรรมฐานเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าหรือว่าระ ง, งับความอาลัยในกรณีที่ต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่หลวง อ่าประโยคนี้นะก็แม้จะสั้นๆนะแต่ว่าก็ควรที่เราจะนำมาพิจารณากันนะก็คือว่าความสูญเสียเนี่ยบ่อยครั้งนะเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ นอกจากการที่เราจะทำใจรับมือกับความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ความอาลัยอาวรณ์ครันนี้จะรับมือกับมันอย่างไรนะถ้าว่าเรามีวิชากรรมฐานนะติดตัวอยู่บ้างนะก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกนะแล้วก็ระงับความอาลัยอาวรณ์ได้ แต่ก็เชื่อนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็ก็คงคิดเหมือนคุณววราการนะก็คือว่าไม่ได้มาฝึกกรรมฐานเพื่อจะมาใช้กับตัวเองในกรณีความสูญเสียแบบนี้น ะ, ะส่วนใหญ่ก็มาฝึกกรรมฐานเพราะเหตุอื่นมากกว่าชเช่น ต้องการความสงบในจิตใจรู้สึกว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านหรือว่าอาจจะมีความทุกข์บางอย่างที่ผลักให้เข้ามามาวัดมาปฏิบัติธรรมแต่ความทุกข์ที่เจอนั่นก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หนักหนาถึงขั้นว่าต้องสูญเสียคนรักแต่ว่าเมื่อ เราเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเผื่อใจนะอยู่เสมอคือว่าความสูญเสียมันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับเราตลอดเวลาแม้แต่เวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมาเจริญกรรมฐานนะก็อย่าเพียงคิดแต่ว่าเราจะมาฝึกใจเพื่อให้ มีความสงบชั่วครั้งชั่วยามชั่วครู่ชั่วยามชั่วครั้งชั่วคราวไอความสงบเพียงชั่วครู่ชั่วยามหรือชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ทําให้เรามีกําลังในการที่จะไปสู้กับอุปสรรคในโลกภายนอกได้เมื่อไงที่บางคนว่ามาชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีกว่านะไปการไปไปพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือว่าไปสนุกสนานรื่นเริงซึ่งมันมีแต่ทำให้เหนื่อยล้านะทั้งกายแล้วก็อจุรมถึงใจด้วยแต่ว่าถ้าเรามามุ่งหวัง มาปฏิบัติธรรมด้วยความมุ่งหวังเพียงแค่วเออเราจะมีความสงบเพื่อที่เราจะได้มีกำลังนะไปต่อสู้อุปสรรคในที่ทำงานนะในโลกภายนอกเท่านี้นี่ยังถือว่าประมาทอยู่นะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอในวันข้างหน้าเนี่ยมัน มันไม่ใช่มีแค่อุปสรรคในการทำงานนะหรือว่าปัญหาในครอบครัวหรือว่าความวุ่นวายนะจากการที่ต้องทำมาหากินนะกระเสือกกระสนดิ้นรนเอาตัวรอดมันมีอย่างอื่นที่รอเราอยู่นะอันนั้นคือความสูญเสียพัดพลาก พัดพลาดอะไรนะพัดพลาคจากคนรักสูญเสียอะไรสูญเสียคนรักของรักสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาในลักษณะไหนบางทีก็สูญเสียคนรักนะเพราะว่าเขาป่วยหนักจนตายแต่บางทีเขาก็อาจจะ ไปด้วยเหตุอื่นนะซึ่งอาจจะไม่คาดคิดนะเช่นการฆ่าตัวตายนี้เป็นต้นหรือว่าจะหนักกว่านั้นนะก็คือถูกทำร้ายนะจนถึงตายแต่บางทีก็ไม่แน่ใจนะว่าอันไหนจะหนักกว่ากันนะระหว่างการตายเพราะถูกทำร้ายหรือการตายเพราะทำร้ายตัวเองเแต่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ นะสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะสามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกนะเป็นเพื่อนนะเป็นศิษย์เป็นอาจารย์นะนี่เราถ้าไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ไว้เลยเนี่ยมันก็ถือว่าประมาทนะเพราะว่ามันหมายถึงการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไวนะ้หรือแม้แต่จะมา ปฏิบัติธรรมนะมาฝึกสตินะมาทำกรรมฐานนะแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้เอาไว้เลยเนี่ยพอมันเจอเกิดขึ้นนะก็อาจจะรับมือไม่ไหวทำใจไม่ได้แต่ก็ยังดีนะถ้าหากว่าได้ฝึกเอาไว้บ้างนะถึงแม้ว่าจะไม่คาดคิดว่า จะต้องเจอเรื่องแบบนี้หรือว่าไม่ได้คิดว่ามาฝึกเพื่อจะไปเจอรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าเราได้ฝึกกรรมฐานจเจริญสเติไว้บ้างนะมันก็สามารถจะเอามาช่วยได้เช่น <Netflix> ถ้าเกิดว่านะได้ฝึกสมาธินะก็ทําให้จิตใจเนี่ยนะไม่ฟุง้งซ่านเมื่อกําหนดจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจะเป็นลมหายใจ หรือวจะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้จิตมันแน่วแน่แนบแน่นนะกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็น1เนี่ยใจมันก็จะไม่ไปหวงคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรจริงๆแล้วเนี่ยความสูญเสียนีย่มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะ สูญเสียคนรักของรักนี่ไม่ไทําให้เราทุกข์ใจแต่ทุกเมื่อนึกถึงนึกถึงเมื่อไหร่ก็ทุกนะถ้าไม่นึกก็ไม่ทุกเมื่อความกลัวความวิตกกังวลนะ่ะวิตกกังวลในปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าหรือยังมาไม่ถึงนี่ยังไม่ได้จ่ายเงินยังไม่ได้ผ่อนนะให้ครบถ้วน ถ้าไม่นึกก็ไม่ทุกข์นะพอนึกเมื่อไหรก็ทุกข์มันนั้นคนเราเนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะนี้นะคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะความสูญเสียคนรักของรักมาเท่ากับที่ปล่อยใจเผลอให้ไปคิดถึงมันสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปได้ส่วนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดไปนะ มันก็ทำแต่มีแต่ทำให้กังวลโดยเพราะการไปนึกถึงมันในสถานที่หรือสถานการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้เช่นเราอยู่นี่เนี่ยนะเราอยู่นี่อยู่ที่วัดนะแต่เราห่วงลูกนะวิตกกังวลถึงพ่อแม่ห่วงไปกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้ลูกหรือพ่อแม่นีดีขึ้นและเราก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรให้ท่านได้ด้วย เพราะว่าตัวอยู่นี่แต่ท่านอยู่โน่นนะมีแต่ว่าเราจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอย่างน้อยก็ทําให้ใจเราไม่ทุกข์เพราะเมื่อใจเราทุกข์แล้วเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจบั่นทอนกําลังทําให้แทนที่จะมาชาร์จแบตเตอรี่มาชาร์จไฟกลับไปมีเรื่อมีแรงนะช่วยเหลือผู้คนแก้ปัญหาก็กลายเป็นว่าทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่า มาอยู่วัดก็ไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่ไม่ว่ากายหรือใจนะในการอยู่กับปัจจุบันนี่มันช่วยพักกายพักใจได้เยอะทีเดียวนะแล้วมันช่วยเติมเติมพลังให้กับเรานะในการที่จะออกไปรับมือกับโลกภายนอกนะแล้วขณะเดียวกันมันก็ไม่ทําให้เราเนี่ยทุกข์เศร้าโศกอาลัยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากสมาธิและสตินี่ก็ช่วยได้ทีเดียวได้มากทีเดียวนะสมาธิก็หมายถึงว่าการที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเมื่อแน่วแน่แล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่ไปหวนคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตหรือถึงที่ทั้งมาไม่ถึงในอนาคตส่วนสตินี่หมายถึงความรู้ทันนะรู้ทันเวลาเผลอคิดไปใจก็รู้ทันนะรู้ว่ากําลัง ไหลไปอดีตหรือรู้ว่าใจกลลาลังลอยไปนาคตแล้วมันไหลไปเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นมันลอยไปเมื่อหนนหไอหร่ก็หนักใจเมื่อนั้นแต่ถ้ารู้จักวางมันได้นะเพราะรู้ทันได้รวดเร็วมันก็จะวางนะสติจะช่วยดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะก็ทำให้ใจเราปลอดโปรง่งนะเบาสบายเพราะว่า จิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันก็คือจิตที่นะเป็นปกตนะิถ้าเรารู้จักใ ช, วช้วิชากรรมฐานบ้างนะมันก็จะช่วยทำให้นะเราไม่ถูกความสูญเสียนะมันเล่นงานจิตใจวิชากรรมฐานนะจะช่วยทำให้เราปล่อยเราวางได้ทำให้ใจสงบกลับมาเป็นปกติ แต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่ช่วยทำให้ใจสงบเท่านั้นนะมันยังช่วยทำให้ใจสว่างด้วยก็คือเกิดปัญญาถ้าเราไม่ใช่เพียงแค่ฝึกจิตเพื่อให้สงบด้วยสมถ ก, กรรมฐานแต่ว่ารู้จักใช้วิปัสสนากรรมฐานนะเพื่อพิจารณานะให้เห็นความจริงของกายและใจมันก็เริ่มต้นจากการที่รู้กายรู้ใจอยู่หนึ่งนิด ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะให้การที่เรามันมารู้กายรู้ใจเห็นความจริงของกายและใจก็จะทำให้เรามีปัญญานะเห็นความจริงนะของสังขารไม่ใช่แค่สังขารที่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นกายและใจของเราทั้งนั้นนะแต่ว่ามันรวมไปถึงสังขารภายนอกด้วยเพราะว่ามันก็เรื่องเดียวกัน เห็นความจริงว่ามันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนตหรือยึดมั่นถือมั่นให้เที่ยงให้เป็นสุขได้เพียงแค่เห็นอันที่จังนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลงเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปตรงนี้ก็ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความสูญเสียได้อยู่กับความเศร้าโศกได้เพราะเราก็รู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่เกิดขึ้นความเศร้าเสียใจความอะไรอาวรมันก็เหมือนกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคือมาแล้วก็ไปอยู่ได้ไม่นานงันถ้าเราเห็น อยู่บ้างว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยคงที่คงตัวหรือคงทนเลยมันก็ทําให้เราเนี่ยพอที่จะทนกับมันได้เพราะเรารู้ว่าจิตไม่นานนะไอความมืดก็หายไปนะนะแสงสว่างก็จะมาแทนที่คนที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี่เพราะเขาไม่มีความตะหนักในเรื่องนี้ว่าไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ย มันไม่ได้อยู่เข้าไปจนชั่วฟ้าดินสลายมันเป็นเพียงแค่สภาว ะ, ะชั่วครูชั่วยามเท่านั้นเองก็มีบางคนนะที่เขามีความทุกข์มากนะทุกเรื่องงานทุกเรื่องหนี้สินทุกเรื่องครอบครัวคนรักะรนะคุณคิดกับมันคิดไม่ตกตลอดคืนจนกระทั่งลุ่งสางเนี่ยนะ ก็คิดว่าฉันอยู่ไม่ไหวแล้วตั้งใจตัดสินใจจะโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายแต่ตอนที่กําลังจะโดดตึกเนี่ยตึกมันสูงเนี่ยก็เหลือเห็นนะแสงเงินแสงทองนะกาลังทาท่าฟ้าเนี่พอเห็นแล้วเนี่ยจิตมันตื่นเลยนะมันได้คิดขึ้นมาเลยนะว่า ความมืดเนี่ยนะมันไม่ใช่มืดไปตลอดนะไม่ช้าก็เลมิมก็ต้องสว่างแสงเงินแสงทองที่เขาเห็นเนี่ยมันทำให้เขาได้สติขึ้นมาแล้วก็ได้คิดแล้วว่า <c oughs> วิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะมันก็ประเดียวประดาวมันจะหนักหนาแค่ไหนแต่มันก็ต้องผ่านไปในที่สุดพอได้สติแบบนี้นะ่าเลิกเลยนะไม่ตัดสินใจไม่โดดลงมา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะมีหลายคนที่เขาเขาได้คิดแบบนี้จากการที่เขาได้เหลือมองเห็นนะแสงสว่างหรือว่าเห็นแสงเงินแสงทองนะอีกคนนึงกนะ็จะโดดตึกเหมือนกันนะแต่ว่ามองไปข้างล่างเห็นเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะก็นึกถึงคำสอนของแม่ว่าเนี่ย จะทำอะไรก็อย่าให้คุอื่นเดือดร้อนเขาก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนจุดโดดนะเพราะถ้าโดดลงมาตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปทับนะวินมาเตอรไซตายโดยไม่รู้อิโนโหนเอเนก็เลยเปลี่ยนจุดให้อตอนที่เปลี่ยนจุดที่จะโดดลงมานี่ก็เห็นแสงเงินแสงทองกันนะพอเห็นปุ๊บนี่นะเปลี่ยนใจทันทีเพราะได้คิดนะว่า ไอ้ทุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราไปนานไม่มีความมืดไหนที่มันมืดไปตลอดนะมันก็ต้องมีรุ่งเช้านะมีแสงสว่างในที่สุดในการฝึกกรรมาฐานเนี่ยมันสามารถทำให้เราได้เห็นนะได้ตระหนักว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะมันมันไม่เที่ยงเพียงแค่นี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ สามารถที่จะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ไม่สิ้นหวังนะทนกับมันไปสักพักเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวมันก็จางคลายไปนะยิ่งถ้าเราฝึกการเป็นการเห็นนะการเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดหรือความคิดอะไรถ้าเราเห็นเนี่ยนะก็ทําให้มันดับไปนะต่อหน้าต่อตานะ ในส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็อยู่ยืดเยื้อเนี่ยเพราะว่าเราเองนั่นแหละที่ไปเติมไปต่ออายุมันนะเหมือนกับไฟที่มันถ้าไม่ทําอะไรมันมันก็จะต้องดับไปในที่สุดแต่ว่าเราเไปเติมฟื้นให้มันนะเติมเชื่อให้มันเติมยังไงนะก็เติมด้วยการคุณคิดถึงมันบ่อยๆคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก รู้หรือเปล่าว่าการคิดถึงมันซ้ํซากนี่ก็คือการเติมเชื้อเติมไฟเติมฟืนให้มันไอไฟที่มันน่าจะมอดดับอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันมันก็เลยลุกโพลงอยู่นั่นแหละนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราแค่เห็นมันเฉยๆนะไม่ไปทําอะไรกับมันมันก็จะดับไปมอดดับไปในที่สุด การที่เราได้เดียรู้วิธีการเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนอันนี้ทาให้ความสูญเสียนะรวมทั้งความเศร้าโศกที่ผลผลสืบเนื่องเนี่ยนะมันทาร้ายจิตใจเราได้ยากความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วนะเราก็ผ่านมันไปได้แล้วก็ยังสามารถจะได้บทเรียนจากมันด้วยเช่นเตือนใจให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิต เตือนให้เราตระหนักว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานะจนทั่งมีปัญญาเห็นความจริงนะอย่างที่พูดมาสักครู่นีเห็นความจริงว่านะมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เลยนะทุกอย่างนี้ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยแม้แต่น้อยนะหรือว่าได้ระลึกอยู่เสมอว่านะนะความไม่เที่ยงนี่เป็นธรรมดา เมื่อถึงความเมื่อเกิดความสูญเสียพัดพราขึ้นนะก็ไม่ทุกนะที่แรกทุกเพราะความสูญเสียแล้วใช้นะสติใช้วิชากรรมฐานช่วยทำให้ระงรับความเศรา้าโศกหรือว่าหลุดจากอารมณ์ได้ต่อไปเมื่อปฏิบัตินะอย่างต่อนเนื่องหรือว่าหมั่นพิจารณาความเป็นไปของชีวิตอยู่เสมอจนเกิดปัญญานะเห็นตระห น, นัก ถ, ถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลาย นะแม้ว่าของที่เรารักคนที่เรารักเนี่ยก็ต้องนะมีอันเป็นไปสักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อมีปัญญาแบบนี้แล้วก็มันก็จะทำให้ใจปล่อยวางได้หรือว่าเตือนใจอยู่เสมอนะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงคราวมันเกิดขึ้นจริงๆนะก็ไม่ถูกนะอันนี้เรียกว่านะใช้ปัญญาใช้ปัญญาช่วย ป้องกันใจไม่ให้ทุกข์มันเป็นการป้องกันนะถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทุกข์แล้วเนี่ยก็ต้องค่อยไปเยียวยาหลายคนทุกข์นะเสียอกเสียใจถึงค่อยเข้าวัดทํากรรมฐานก็เยียวยาจิตใจได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรู้จักป้องกันนะป้องกันไม่ให้ทุกข์นะก็คือมีปัญญานี่แหละเป็นเครื่องรักษาใจ ในสาบสุการนี้ก็ ม, มีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางเมริกานาอเมริกานี่เป็นภรรยาของขุนนางคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนสนิทของพระเจ้าประสเสนทิโกสนเสนาบดีคนนั้นชื่อว่าพันธุระนะเป็นคนที่มีฝีมือมากเพราะว่าจบที่สาปามโมกสำนักเดียวกับ พระเจ้าเปเสนจิโกส่แล้วก็รักกันมากนะพระเจ้าเปเสนจิโกศ่ก็ไว้วางใจพันธุล่าให้เป็นเสนาบดีคู่ใจแต่ว่าต่อหลังพระเจ้าเปเสนจิโกส่เนี่ยหูเบานะถูกเป่าหูว่าพันธุลา่านี่จะยึดอํานาจก็เลยหาทางกําจัดนะเป็นเพื่อนสนิทแท้ๆนะแต่ว่าก็วันไว้นะ ก็ออกอุบายให้พันธุละแล้วก็ลูกชายลูกชายนี่มี 10, มีสามคนนะเป็นแฝดสิแฝดคนแฝดคู่นะคู่ก็สาเนี่ยเก่งเป็นทหารทั้งหมดเลยเออกอุบายให้ไปปราบกบฏ ท, ที่ชายแดนพันธุละกับลูกทั้งส2คสองก็นำทัพไปปรกว่าก็ถูกซุ่มโจมตี ถูกฆ่าตายหมดเลยทั้งสาสามคนข่าวนี้ก็มาถึงนางมริกาในเช้าเป็นเช้าเดียวกับที่กำลังจะเลี้ยงพระนะเลี้ยงพระนี่ก็คณะใหญ่แล้วก็มีพระสารีบุตรกับพระโมคคารนะเป็นประธานจดหมายน้อยมาถึงเนี่ยนางมริกาก็อ่านอ่านเสร็จก็ ไม่ได้ก็ไม่มีสีหน้าอะไรสีหน้าก็เป็นปกติเอาจดหมายน้อยในพกที่เก็บเอาไว้ที่ใช้พกแล้วก็ทำหน้าที่ต่อคือถวายถวายเรื่องอังคาศนะถวายอาหารระหว่างที่กาลังถวายอยู่เนี่ยนะานางทาสีเนี่ยซึ่งอยู่ ใ, ใกล้ๆกับนางมาริกาก็เกิดทำ ทำถาดใส่ทำถ้วยใส่เนยตกนะต่อหน้าพระสารีบุตรเสียงแตกเสียงนางเพลงแตกดังเลยนางมริกาอยู่ ใ, ใกล้พระสารีบุตรเห็นก็พูดปลอบนางเมริกาว่าของที่มันแตกของที่มันเสียหายได้ตอนนี้มันก็แตกไปแล้วอย่าไปเสียใจเลยนะคือแนะนำให้นางมริกาทำใจ นางเมริกาก็เลยตอบว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งได้ข่าวว่าสามีและลูกทั้งหมดถูกฆ่าตายดิฉันก็ยังไม่เสียใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรนะกับการที่ถ้วยใสยเนยตกแตกนี่นางเมริกานี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีธรรมะพอสมควรน ะ, ะสูญเสียหนักมากเลยนะ ทั้งสามีแล้วก็รู้ทั้งสาสองคนเรียกว่าไม่เหลือโคตเง่าเลยนะไม่มีอาจจะไม่มีใครที่จะสืบวงตระกูลด้วยแต่ว่านางก็เป็นปกตินะไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่โกรธแค้นเพราะอะไรเพราะนางรู้ว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาว่าความสูญเสียนะเป็นธรรมดาโลกความตายไม่มีใครจะหนีพ้นอันนี้ เรียกว่ามีปัญญานะเข้าใจความจริงของชีวิตนะก็เลยไม่ทุกข์นะอันนี้เรียกว่ามีปัญญาป้องกันความทุกข์นะเราจะเราจะป้องกันความป้องกันโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยนะมันก็ยังพอป้องกันได้นะแต่ว่าอาจจะป้องกันไม่ได้ตลอดป้องกันความแก่ความ ชาราก็ป้องกันไม่ได้ยังไงก็ต้องแก่ต้องชารามีแต่บรรเทาแต่ว่าป้องกันความทุกข์ใจนี่ทําได้นะหากว่าเรามีปัญญาถ้าปัญญานี้เป็นปัญญาทางธรรมนะีไม่ใช่ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี่ช่วยได้ในเรื่องการทําให้ร่ํารวยมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะแต่ว่าร่ารวยแค่ไหนสําเร็จเพียงใดก็หนีไม่พ้นความสูญเสีย พรม้มเป็นธรรมดาโลกไม่ใช่แค่สูญเสียคนรักเท่านั้นนะตัวเองไม่นนไม่ช้าไม่นานก็ต้องตายแต่ถ้าเรามีปัญญาในทางธรรมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ทุกใจได้แต่คนเราเนี่ยนะปัญญาทางธรรมเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมฐานอย่างเดียวนะบางทีก็ต้องเกิดจากประสบการณ์ด้วยคือต้องเกิดจากความสูญเสียนั่นแหละ คนบางคนเนี่ยไม่สูญเสียแต่ว่าอาศัยกรรมฐาน <c oughs> ฝึกกรรมฐานจนเกิดปัญญาไม่ใช่แค่ทำใจให้สงบชั่วครู่ชั่วยามแต่ว่าเกิดปัญญาจนกระทั่งเห็นความจริงนะมันก็มีภูมิคุ้มกันความทุกข์ป้องกันไม่ให้ความทุกข์มากระแทกถึงใจได้แต่บางคนก็ประมาทนะไม่ได้ไม่ได้สนใจที่จะฝึกกรรมฐาน ก็คิดว่าชีวิตนี้สุขสบายแล้ววันนี้สบายแล้วก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะสบายวันนี้เป็นสุขก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะสุขนะคนแบบนี้ก็เยอะเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมด้วยในเมื่อฉันก็สบายแล้วคนแบบนี้ก็เรียกประมาทแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะความทุกข์ก็สอนนะ สอนให้เห็นทำอย่างนางกีสาโกตมีเนี่ยก็เป็นคนร่วมสมัยเดียวกับนางมาริกานะแล้วก็อยู่ใกล้ๆ ก, กันด้วยนะมาริกานี่ก็อยู่เมืองสาวัตถีนางกีสาโกตมีก็คนสาวัตถีแต่คงไม่ได้รู้จักกันนางกีสาโกตมีนี่ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะชีวิตก็ราบรื่นมาตลอด แต่งงานก็ได้สามีดีและมีลูกก็ลูกก็น่ารักแต่ว่าวันดีคืนนี้ลูกชายอายุ3 4ี่ขวบก็ตายกระทันหันน า, างกิสาคณมีทําใจไม่ได้อุ้มลูกไปให้ใครต่อใครช่วยชุบชีวิตฟื้นขึ้นมาเธอไม่ยอมรล้ลูกตายแล้วยังมีความหวังว่าลูกจะฟื้นขึ้นมาได้ไปให้ใครต่อใครช่วยฟื้นคืนชีวิต ทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางมินางกีสาวก็มีก็ไม่ยอมฟังจนถ้ามีคนแนะนำให้ให้ปรหาพืชเจ้าสินางก็ดีใจนะอุ้มศพลูกมาที่เชตวันเพื่เจ้านี่เห็นนางกีสาวกม็มีอุ้มศพลูกมานี่ก็รู้ว่าแสดงธรรมให้นางฟังเนี่ยคงไม่ได้ผลกูใจทะลุนะ ว่าคนว่าใครนี่ควรจะเมื่อไร่หรือเวลาใดหรือกรณีใดควรจะแสดงธรรมนะพระองค์ก็ไม่ได้แสดงธรรมแต่พึตพือนะพระองค์ก็ดูว่าเนี่ยนางกิสากรติมีเนี่ยพระองค์แสดงธรรมไปก็คงจะไม่ฟังพอนางกิสากรตมีถามว่าพระองค์จะช่วยให้ลูกของนางฟื้นขึ้นมาได้ไหมพระเจ้าก็ตอบว่าได้ แต่ว่ามีเงื่อนไขคือต้องเธอต้องไปหาไม่ผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายดางได้ฟังก็ดีใจนะรียบอุ้มศพลูกไปเข้าไปในเสาวัตถีไปหาไม่ผักกาศไปบ้านนั้นบ้านนี้ทุกบ้านก็มีไม่ผักกาศแต่พอถามว่ามีคนตายไหมก็ได้คําตอบมีคนตายทั้งนั้นบางบ้านก็พ่อตายบางบ้านก็แม่ตายบางบ้านก็ปู่ตายบางบ้านก็ย่าตาย บางบ้านก็ลูกตายผัวตายเมียตายคนสมัยก่อนตายกันที่บ้านนั่นแหละถึงไม่ตายที่บ้านมันก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวทั้งนั้นทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่าความตายเนี่ยความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวความตาย ของคนรักเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเถือน้อยเถือน้อยเธอก็ยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วเห็นว่าความตายเป็นธรรมดาพอเห็นวความตายเป็นธรรมดาก็ยอมรับความตายของลูกได้ก็เอาศพลูกนี่ไปไปเผาพอเสร็จก็มาเฝ้าพุทธเจ้าทีนี้หลวงพ่อแสดงธรรมเลยนะเห็นว่านางพร้อมแล้วที่จะฟังธรรมก็ตรัสว่านเนี่ยว่ามรตยูเนี่ยย่อม พัดพานะผู้ที่ติดในรูกในทรัพย์สมบัติหรือว่าคล้องในอารมณ์เหมือนกับน้ำปลาเนี่ยยอมพัดผาผู้ที่หลับไหลฉะนั้นนางคีศาก็มีพิจารณาตามก็เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นที่เห็นเนี่ยเพราะว่าเห็นชัดเลยเพราะว่าผ่านมาด้วยตัวเองเจอความทุกข์มาด้วยตัวเองว่าความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรจิตก็ ดวงตาเห็นธรรมเลยนะพิจารณาไปสักพักนี่ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพระโสดาบันเลยจากคนที่นะเมื่อกี้นี่ยังเมื่อสักครู่ยังแทบจะไม่มีสติเลยตอนนี้กลายเป็นพระรยาเจ้าไปละเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรนะเพราะว่าเจอความทุกข์มาด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นความทุกข์ในอีกมุมหนึ่งแทนที่จะเป็นทุกข์นะก็เห็นทุกข์นะนางกิสาโคตุมีทีแรกเนี่ยเป็นทุกข์ แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจาเนี่ยก็เห็นทุกข์เห็นว่าสังขารนี่เป็นทุกข์เห็นว่าไม่สามารถจะยึดมั่นอะไรได้เลยยิ่งไปยึดมั่นในลูกในคนรักนะก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นนางก็มีดวงตาเห็นธรรมปัญญาเกิดนะอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาที่จะคอยป้องกันความทุกข์ได้เกิดขึ้นกับนางแล้วนะ เป็นปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานนะแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการที่ได้เจอความสูญเสียจริงๆสูญเสียจริงๆแล้วก็รู้จักพิจารณานะมันก็ทำให้เกิดปัญญาได้ทุกเนี่ยนะมันสามารถจะทำให้เห็นธรรมได้นะถ้าเราใช้ทุกให้เป็นเนี่ยแต่ถ้าเจอทุกและเป็นทุกเนี่ยก็ไม่เห็นธรรมนะเป็นทุก ถ้าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยจิตมันก็เศร้าหมองไม่มีสติที่จะนำให้เกิดปัญญาได้แต่ถ้าเจอทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้วสักแล้วจู่ๆก็มาเห็นทุกข์นะก็ทำให้เกิดปัญญาได้นางากิสากรุตมีก็โชคดีที่มีพุทธเจ้าช่วยพูดแนะนำทำให้นางได้เห็นเห็นความทุกข์ของเรียกว่าสังขาร น, นะ ความทุกข์ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะปัญญาก็เกิดนะถ้าพวกเรานี่ก็ต้องนะต้องรู้จักมันพิจารณานะถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็โชคดีไปก็พิจารณานะจากชีวิตของผู้อื่นนะอย่างเรื่องราวของอคุณวิรกาลเนี่ยที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟัง เฉยๆแต่เอามาพิจารณาเป็นบทเรียนนะมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทนะไม่ประมาทในชีวิตของตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตของคนที่เรารักด้วยนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยนะเวลาพูดถึงความตายของตัวเนี่ยก็พอทําใจได้นะเพราะว่าได้ได้ฟังได้ฝึกนะมาอยู่เสมอเช่นจเจริญมรณสติ มาสวดมนต์ก็สวดมนต์เรื่องการความไม่เที่ยงของสังขาร น, นะความไม่เที่ยงของชีวิตพอพูดถึงความต่างตัวเนี่ยก็พอจะทาใจได้แต่พอพูดถึงหรือให้นึกถึงความต่างคนที่รักลู ก, ลกนะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่ า, าคนใกล้ชิดเนี่ยเพื่อนเนี่ย างทีเสียวซ่านขึ้นมาเลยนะเสียวสยองนะไม่อยากคิดต่อตัวเองตายเนี่ยพอทำใจได้แต่ว่าถ้าจะเห็นคนรักตายช่โดยพ่อลูกตายนี่ใจมันไม่อยากคิดเลยเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ก็ถือว่าประมาทนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะแลวมันสามารถจะเกิดขึ้นในลนักษณะใดก็ได้ไม่ใช่แค่เจ็บป่วย ไม่ใช่แค่เจอภัยธรรมชาติรถชนเครื่องบินตกนะอาจจะเจออะไรที่มันมันแย่กว่านั้นก็ได้นะันก็ต้องเผื่อใจไว้นะเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยนี่อันนี้เป็นเป็นบทพิจารณานะที่ต้องอเตือนตนอยู่เสมอนะ ปันหาปัจเวกนะ์มี5ประการ4ี่4ข้อแรกนี้พิจารณาอยู่เสมอๆก็ดีเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลเพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้3ข้อที่สำคัญนะแต่ว่าอย่าลืมข้อที่4ด้วยคือเราจะต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจทั้งนั้น มันพิจรารณาอยู่เสมอแล้วก็เอาเหตุการณ์เรื่องราวข่าวสารต่างๆมาเตือนตัวเตือนใจอยู่เสมอนะถึงตอนนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุขึ้นมากับเราวิชาทั้งหมดที่เราได้ฝึกมานะรวมทั้งวิชากรรมฐานก็จะมาช่วยเราได้อะล่ะคำนี้พูดกันเท่านี้นะครับคระ